ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมงพระพุทยญาณในวันนี้ก็จะพูดเรื่องเนคขมะบารมีซึ่งเป็นบารมีข้อที่สามตามการเรียงอีกใน่ายหนึ่งเนะเพราะการเรียงบารมีถ้าเราลองสังเกตว่ามันก็เรียงกันอยู่หลายแนวไม่ใช่เรียงระบบศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าเป็นการเรียงในรูปส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าบารมีหลัก กับอุปการะาระมีแต่แนวหนึ่งก็เรียงตามเรื่องของพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องทศชาติเนี่ยเราจะเห็นว่าก็เรียงเนคขมะาระมีไว้ข้างหน้าแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยมันเป็นองค์ธรรมที่จะทำหน้าที่ขจัดโรกโกฏหลงภายในใจคนในเจดจาง g บกปังลงไป เนคมะบารมีค่อนข้างเป็นการปฏิบัติรวมคือหมายความว่าบารมีทุกบารมีนะมันก็มาส่งเสริมสนับสนุนในการเจริญเนคขมะเนคขมะจึงแปลว่าการออกบวชมาจากนิขมะแปลว่าการออกบางทีเราเรียกว่ามาหาพินเนสกรมสำหรับปะโหติสระแปลการออกพุกุณอันยิ่งใหญ่กว่า หมายความว่าชีวิตการครองเรือนมันก็เป็นคุณนั่นแหละแต่เป็นคุณระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าคนได้ออกบวชประพฤติปฏิบัติของตนให้หลุดพ้นจากกำนาจคุเรียดและความทุกข์ตามเนื้อหาสา ร, ระของเนคขมัตมันก็จะเป็นคุณที่เหนือกว่าและถึงจุดหนึ่งถ้าหากว่าการแบกของท่านสมบูรณ์มันก็กลายเป็นศาสนาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าง พระพุทธเจ้าขราบนในเนคขมะบา ร, รมีนี่ท่านก็บอกไว้ว่าถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุสัมโพธิญาณแล้วใช้ท่านจงบำเพ็ญเนคขมะบา ร, รมีเถิดอันว่าคนถูกขังอยู่ในเรือนจำได้รับแต่ความทุกข์ทรมานย่อมไม่เกิดความยินดีในเรือนจำมีแต่หาช่องทางที่จะพ้นออกไปชั้นใดท่านจงมองเห็นภพทั้งปวงดุดเรือนจำจงมุ่งหน้าต่อเนคขมะ เพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นไปจากภพฉั น, นั้นเหมือนกันพระโพธิสัตว์ครั้นเห็นเนคขมะบารมีเป็นข้อที่สามอย่างนี้แล้วเมื่อไครครวนต่อไปก็ได้เห็นปัญญาบารมีก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะทีนี้ประการสําคัญที่อยากจะพูดเนี่ยคือตัวเนคขมะเนคขมะโดยเนื้อหาสาระแล้วก็แปลว่าการออกเพื่อคุณหรือการออกไปจากกิเลสแล้วก็ออกไปจาก ทุกออกไปจากสังสารวัฏการมองแบบพระโพธิสัตว์เพื่อสร้างบา ร, รมีนี้มองรูปพบเลยหมายความการมาพบรูปรพบอรูปรพบซึ่งจริงๆมันก็ประณีนี่นจะสมบคนมีกิเลสแล้วก็น่าบันเทิงรื่นเริงใจเครื่อ ง, องอมือในการตัดสินว่าปัญญาของคนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเป็นการมองมุมเดียวกันแต่จะมองได้ต่างกัน ย่าทีท่านพูดว่าสองคนยนตามช่องคนหนึ่งมองเห็นคนตรงคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่เปลาเปรายภาพเดียวกันแต่วุฒิภาวะของคนในการมองนั้นไม่เหมือนกันคนหนึ่งจะมองเห็นเป็นคนตรงแต่คนมองคนหนึ่งก็มองเห็นดาวอยู่เปล่าเปรายอะไรก็ต า, ามเป็นต้นไม้เป็นอะไรเนี่ยนานมาแล้วนะตอนอยู่ต่างจังหวัดออกมาเคยทดลองถามอยู่กรมคนนั่งอยู่หลายคนเราทดลองดูความคิดเขานะคร คือสมมติว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่นี่ต้นหนึ่งใหญ่มากเลยสี่คนโอกเลยล้าก็สูงด้วยถามว่าท่านคิดว่าถ้าเขาให้ท่านเนี่ยท่านจะทำยังไงส่วนใหญ่คนดังนั้นนะคนไปสร้างบ้านบางคนไปขายบ้างคนไปทาอย่างนี้อย่างโน้นก็หมายความมาแปลสภาพเป็นเงินส่วนใหญ่เนี่ยจะแปลสภาพเป็นเงินแต่มีคนอยู่คนเดียวเขารู้สึกเสียดาย เขบอเสียดายนะต้นไม้โตขนาดนี้มันก็หลายร้อยปีแล้วก็อยากจะอนุรักษ์ไว้นะเพราะงั้นในฐานะเป็นเจ้าของจะอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้อยู่อาศัยไปพบได้เห็นแล้วก็ถามอีกทีหนึ่งว่าสมมุติตอนนั้นมันอะไรล่ะสลากกินแบ่งมันราวันที่หนึ่งก็ห้าห้าแสนนั่นนะลองถามดูว่าสมมติว่ามีเงินห้าแสนนี่ทํายังไง คนหนึ่งก็คิดเฉพาะเรื่องนาของแกนะซื้อนาเพิ่มแล้วก็จจ้างคนยกคันนาซื้อเครื่องมือทุนแรงในการทํานาก็สรุปว่ามันก็เกือบหมดอะแกคิดๆเนี่ยคนหนึ่งก็คิดจะสร้างบ้านจะจะต่อเติมบ้านบ้านช่องอะไรต่างๆส่วนสดงเก็บเอาไว้ะที่เป็นครูก็บอกว่าก็จะมุงราคาโรงเรียนส่วนหนึ่ง แต่จะเก็บเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวส่วนหนึ่งสมพานก็คิดว่าจะเอาไปสร้างโบสถ์ได้เสร็จแอะไรนี่ก็ลองทดลองดูเพราะตอนนั้นกระแสของคอมมอนนิตนี่เข้ามาแรงแเราต้องการให้คนซึ่งมีความโน้มเอียงตรงนั้นเนี่ยลองฟังดูซิว่าสมมุติเงินเท่ากันเนี่ยเราจะเห็นว่าคนจะอยู่ด้วยเงินตรงนั้นได้ไม่เท่ากันหรอกเพราะพื้นฐามความคิดเขาไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่อยากจะไปพูดเรื่องคองมมอนนิต แดีวคนมากๆนะะคือต้องการจะถ่ายทอดจากคนที่ฟังเนี่ยแต่ให้เขาคิดต่อเอาให้คิดเอาเองเพราะลักษณะตรงเนี้ยมันอยู่ที่การมองเราถ้ามองพบเป็นที่หน้าพิษสมัยเนี่ยมันไม่มีทางจะไปได้เลยคือเราจะเห็นว่าการออกบวชเนี่ยสมมติเราเป็นนักบวชในปัจจุบันเนี่ยที่จริงถ้าจะถามมาได้อะไรไหมเราก็มองเห็นหนทางที่จะได้ คือหมายความพัฒนาการทางจิตใจของเราแล้วก็ถามว่ามีคนเคยชวนศึกไห้มีอะไรแต่แล้วก็เยอะนะฮะบางทีอ้อนวอนขอร้องข่มขู่ก็เยอะแยะไปก็ผ่านด่านตรงนี้กันมาทั้งนั้นแนะ่ๆแต่หมายความมารองมองเขียนเราเชื่อในเรื่องกรรมสังสารวัตรเห็นว่าการบวชเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเราได้รักษาศีลเพิ่มขึ้นได้ปฏิบัติธรรมะเพิ่มขึ้น แล้วก็ไม่ต้องมีอะไรมากๆแต่ว่าได้ช่วยเหลือเกือกูลกัสังคมได้มากเพราะนั้นมองเห็นบ้านเรือนมองเห็นการครองเรือนเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของความวุ่นวายเพราะนั้นเนคมาจึงไปว่าออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนต่เรือนนั้นบางทีเนี่ยมันมีความผูกพันดันเกวาเกหัสิตะเปมาคือความรักที่ผูกพันฉันครอบครัวมันเป็นบ่วงนะครับผูกพันใจคน อย่างที่โลกกันนี้ท่านบอกว่ามีบุตรบวงหนึ่งเกี่ยวพันคอซับผูกบาทาครอหห่วงไว้พัญญาเยี่ยงบ่วงปอรึงรัดมือนาสามบ่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารเอาขนาดสามบ่วงเนี่ยการหนักเราเห็นว่าแม้แต่พระโพธิสัตว์เนตอนจะเสด็จออกผนวดก็ต้องชเง้อมองราขุนกุมารกับพระนางยโสธราครั้งแล้วครั้งเล่า กว่าจะตัดสินพระไทยได้นานมาแล้วประมาณพศ 2,500-2,497 แต่มีข่าวถึงพระพระมา่ารูปหนึ่งชื่ออูกาวีมาเทระท่านมรนาภาพมนภาพแล้วคนก็ค้องก่สงสัยท่านมาแต่ต้นนะว่าท่านน่าจะไม่ใช่พระธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นชาวนาธรรมดาแล้วไม่รู้หนังสือโดยอ่านซือไม่ออก ่อามาก็ไปฝึกเจริญนาปานาสติในสำนักวัดแห่งหนึ่งจนเกิดเบื่อหน่ายต้องการจะบวชก็ไปบอกพัญญาพัญญาไม่ยอมบอกจะบวชก็ได้แต่ว่าต้องช่วยทำนาให้หนึ่งปีก่อนแกก็ทำให้นะหนึ่งปีพอ ร, รุ่งปีขึ้นพัญญาเกิดต่อรองให้อยู่อีกปีหนึ่งแกก็โคไปเทียมเกวียนเพี้ยนเตะเทียม แอกนะเพื่อจะไถานาโคมันสลับแอกเลยแกกำหนดโดยจิตของแกเออเขาไม่ให้ทำก็ไม่ทำแต่ได้แกก็ปล่อยโคออกแล้วก็หนีมาที่เนี้ย ม, มาที่มอตมะเนี่ยมาบวชที่มอตมะัะแต่ในที่สุดก็มีพระเทระสองรูปเนียครั้งแรกก็บวชเนรให้นะบวชเนร แล้วก็มีพระเทราชสองรูปซึ่งแตกฉานในปัจจัยวิโดกจมปัจจัยวิโดกไดแมนก็มาซักถามท่านดูตอบได้หมดเรียกชื่อผิดชื่อในบางชื่อผิดเพราะชื่อธรรมะในชื่อสมมติทั้งนั้นนะคแต่ว่าสภาวะธรรมเนี่เรียกถูกหมดท่านก็ตื่นเต้นชื่นชมแล้วก็จัด ก, การบวชเป็นภิกษุให้เมื่อท่านบวชแล้วไม่นานเนี่ยมันปลัดเปลือกมากเลย เทศาววาการโคนขึ้นกันมากเลยรพนัอถือแล้วก็เชื่อว่าอย่างน้อยนี่เป็นพระนาคามีพอ ต, ต่อมาเมื่อท่านตายเนี่ยเขาก็ทดลองวางไว้วางศพไว้รู้สึกจะสิบสิบสีบส่วันนะคื อ, อ่านในหนังสือราย ง, งานจากหนังสือธรรมจักสุกก็ศพไม่เน่าไม่เปื่อยด้ยสุดเาก็สร้างเจดีย์บรรจุไว้ที่ประเทศพม่ารู้สึกจะอยู่ที่รังกุ้งหรือที่มตาตมะยังไม่แน่ใจนะ เรเรื่องมานานแล้วแต่วันนี้เราจะเห็นว่ามีพัญญาอย่างเดียวนี่ฮะบุก บ, บวงแล้วบางทีพระโพธิสัตว์บางยุคบ า, บางชาตินะฮะเริ่มจะขออนุญาตพัญญาบวชเนี่ยต่อรองยืดเยื้อไปจงมีลูกถึงสามคนแก่ไม่ยอมให้บวชก็ถวงกันไปถวงกันมาถวงกันมาถวงกันไปและในที่สุดก็กลายเป็นผาราญเครื่องกงังวลมันก็ต้องรับผิดชอบ เพราะใการตัดสินใจบวชจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในยุคสมัยก่อนมันไม่มีสถาบันศาสนาที่จะมีคณะบุคคลเกิดขึ้นอย่างในปัจจุบันเพราะในคนคนที่เห็นโทษของการมาคุณเห็นโทษของการครองเรือนเห็นโทษของการเวรไหวตายเกิด พบทั้งหลายก็ตามจัประณีตยังไงเนี่ยฮะเหมือนก็อยู่ในเรือนที่ถูกไฟไหม้นะการมองแบบป ร, รารยะท่านมองท่านมองอย่างนั้นหรือพบจะประณีตยังไงก็คือพบพบมันคือชาติชาติมันก็ชราบรรณมันกระบวนเข้ามันมันไม่มีทางไปอื่นไปได้นะเพราะนั่นจึงไม่ปรารถนาพบปรารถนาหลุดพ้นจากพบแต่ทีนี้พบแต่มันเป็นผลมาจากกิเลส มันต้องไม่มีอุปาทานเดอะอุปาทานมาจากตัณหาเพราะงั้นต้องไม่มีตัณหามาตัณหามาจากอาวิชาก็ต้องดับเที่ยววิชาเราเห็นว่าในกระบวนของปัจจัยการปฏิจจสมุปาทนะจะยากนิดหน่อยแต่ได้เห็นว่ามันเป็นกระบวนพอดับเที่ยวิชาได้ทุกอย่างมาันก็ดับแต่ปัญหาใหญ่ปัญหาภูเขาพันการบวชเนี่ยจึงมุ่งเน้นไปที่ ในตอนแรกถ้าเราแยกประเภทนักบวชในยุคก่อนพุทธกาลมันก็มีประมาณสักเจ็ดแปดประเภทบางประเภทก็มีครอบครัวนะมีลูกมีเต้าเราก็ได้รู้ว่าฤาษีมีลูกบางทีก็ไปยุ่งเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกอย่างอะไรฤาษีที่ในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยเราเห็นว่าที่เลี้ยงนางสีดามาชนกนะเลี้ยงนางศีด า, าแสดงว่า ปฏิบัติขึ้นไปเรื่อยๆส่วนหนึ่งเนี่ยรักษาศีลห้าส่วนต่อมาก็รักษาศีลแปดก็แสดงว่าจะอยู่ในกรอบตรงนี้รักษาศีลห้ากับศีลแปดนานๆที่จะออกไปบวชแล้วก็รักษาระดับสูงขึ้นไปเนี่ยจะมีน้อยจะอยู่ในแถวแถมนี้ฝันศีลห้ากับศีลแปดเราจึงเจอบ่อยแต่ว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงในตอนหลังเนะีย ส่งแสดงในภาคของการใบบาทว่ามันไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบแต่มันอยู่ที่ตัวเนื้อหาจะลองสังเกตพระพุทธํารมที่ทรงแสดงในวัตปฏิโมกที่ว่านาะหิปปจิตโตป ร, รูประาติสัมโนโหติปรังเหทยันโตผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าบรรปชิตไม่ชื่อว่าสมณนะก็แสดงว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวคนไม่ได้อยู่ที่รูปแบบว่าสมณนะในบรรปชิตในแต่งตัวอย่างไร ต้องโกนหัวตรงหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะหรือไม่มันไม่ได้เกี่ยวะเพราะถ้าอย่างนั้นมันก็ปฏิเสธนักบวชประเภทอื่นหมดเพราะว่าไปมองที่เนื้อหาของพวกนักบวชเนี่ยและบางทีเราจะพบคําแค่สามคำแต่นั้นเองอหิงสาสั ญ, ญโมถโมคือคุณลักษณะของนักบวชก็คืออหิงสาคือไม่เบียดเบียน ต้องออกจากกิเลสก่อนนะพวกอื่นมันมันมันมนเป็นผลสืบเรื่องมาจากกิเลสนะสังสารวัฏก็มาจากกิเลสภพก็มาจากกิเลสกรรมก็มาจากกิเลสเพราะใ้ตัวใหญ่มันก็คือกิเลสมันต้องแก้ที่ตัวกิเลสก่อนดันั้นการการออกเพื่อคุณที่ใหญ่เนี่ยมันก็อยู่ที่ใจออกจากอำนาจของกิเลสแสดงว่าคนก็ต้องเห็นโทษของกิเลส แล้วก็เพียเพ่ยนเปลี่ยนพยายามปฏิบัติลดละให้กิเลสเหล่านั้นลดน้อยถอยลงไปมันจะต้องเห็นโทษของกิเลส ช, ชัดเพราะอะา ก, กิเลสเนี่ยเอาก็จริงมันมันมันมันเห็นโทษมันยากเหมือนกันนะเช่นสมมุติว่าเกียรติครานเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมันทะนุถนอมเราเหลือเกินเนี่ยจะไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนก็บอกไม่ต้องยกไหว้หรอกวันนี้เหนื่อย เอาพอนมมือก็พอแล้วน ม, มรัสสรก็พอแล้วไม่เป็นไรแล้วนอนไหวเอาก็ได้จะกรกรมฐ า, านจะทาใจสงบจะลุกขึ้นนั่งสมาธิไม่เป็นไรหลัวนอนสมาธิก็ได้แลยแต่อะไรเนี่ยคือมันจะมานิ่มๆ ม, มากเลยแล้วเราก็รู้ไม่ค่คยรู้จักมันเยคือตามใจมันด้วยแล้วในสุขก็ตกเป็นเหยื่อของกิเลสเท่านั้นเพรา ะ, ะน้นะต้องเห็นโทษของกิเลสชัดเจน ที่เป็นอาการการประพฤติกระทำของคนโดยเฉพาะที่ออกมาในรูปของการเบียดเบียนการฆ่าตั้งๆเนี่ยแต่เห็นว่าผู้ฆ่าคนอื่นผู้เบียดเบียนคนอื่นนี่ยไม่มีใครปกติสุขมันจะซ่องประสบผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจิตใจเราก็จะโน้มเอียงไปในทางที่จะลดละกิเลสคือไม่ประพฤติไม่กระทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลส ในสมัยพุทธกาลเองก็มีนักบวชนะแต่นักบวชมีทัวยุดตัวสมัยถ้าเราดูประวัติในชุดอดุกของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือไม่ใช่เสด็จออกบวชทุกชาติหรอกแต่ว่ามากที่ออกบวชแต่เราก็ดูแล้วคล้ายๆกับธรำเนียมพรามคือออกบวชตอนพระจนตอนอายุมากนะพูดง่ายว่าบางครั้งท่านก็ไม่เป็นกษัตริย์รบางครั้งก็บวชอายุไม่ค่อยมากก็แล้วแต่สถานการณ์ แต่ว่าเป็นวิถีที่มันสะสมอยู่ภายในจิตใจของคนามาเคยตั้งข้อสังเกตนะพยายามศึกษาประวัติวันก่อนเนี่ยเพิ่งรู้กับอาจารย์พันเอบุญสมเจนใจนะว่าสมเด็จสมเด็จทิทาทาทจพย์กับสมเด็จอะไรที่วัดม า, าธาตุกับที่วัดเบญจมาบพิธสมภารองค์แรกของวัดเบญจมาบพิธกับสมเด็จที่วัดมาธาตุดุมัยสมเด็จรามนาจาร์เนี่ย ยุคสมัยกันในห้านี่เป็นพี่น้องกันนะไม่น่าเชื่อเลยว่าบวชมาแล้วก็เป็นพี่น้องกันแล้วก็เป็นสมเด็จทั้งคู่นั่นก็แสดงว่าในสายตรงเนี้ยมันมีอะไรน่าศึกษาคือมันสืบสายทางเชื่อสายทางวงสกุลอยู่ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าคนเหล่านั้นแกอยู่ในแวดวงขคนนักบวช เป็นลุงเป็นอะไรเป็นญาติน่ะเครือญาติคือเพราะเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแลวจิตใจก็เถื่ก็ น, น้อมเอียงมาในทางนั้นพอไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะนึกถึงเมื่กลายเป็นทางออกอย่างหนึง่งในคมมะนี่ยังกลายเป็นทางออกอย่างหนงเป็นชีวิตที่คือท่าแบบดั้งเดิมนะมันนึกถึงนกน้อยที่เหินบินไปถ้าบอกว่า อากาเซวะสะกุลนานังกติเต้ังดุรันบยามือก็นกน้อยที่เหินบินไปเนี่ยจับต้นไม้ไม่ทิ้งรอยไม่รู้ทิศทางในการไปเป็นชีวิตอิสระมันนกน้อยเหินบินเนี่ยนะท่านแสดงภาพของอิสระภาพแห่งนกว่าฉันจับไม่ยินยอมให้เขาร้อมก็กรงขังถึงกรงสวนนังก็บอรปราถนาเลย ฉันชอบเป็นนักหนาอยู่ป่าตามสเบย์พรดเพลงเมื่อลมเชยและจะบินจะเวนไพรเพรา ะ, ะชีวิตของนักบวชเนี่ยเป็นชีวิตที่แบบคล้ายๆพระธุดงเนี่ยนะมันก็เร่ร่อนไปเรื่อยๆมีอาสมเป็นสถ า, านที่บางแห่งบางพระชาติของพระโพธิสัตว์เนี่ยยังนึกไม่ออกว่าทำไมไปทรมานร่างกายขนาดนั้นก็ไม่รู้คือไปกินเฉพาะใบหมากเมา เลี้ยงชีวิตด้วยใบหมากเมา่ทั้งทั้งที่ตัวเองก่อนหน้านั้นเป็นมาเศรษฐีอยู่พออยู่สมัยตรงนี้มันก็สร้างความโน้มเอียงแล้วแต่ไปพว้ผานสมาคมกับใครเข้า๋าไม่ต้องดูอื่นไกลหรอกแม้แต่ประชาติที่เป็นเจ้าชายจิตตถาก็ไปทรมานโรรกายอยู่ทั้งเยอะแสดงว่าเราเกิดมาในยุคสมัยย้สภาพไปรอบยังไงนักบวชที่ต่างๆที่เราใกล้เคียงนี่คืออะไร ใจก็จะโน้มเอียงไปทางนั้นรู้ถึงการบวชบางประการที่มันมีมาในคำภีโบราณเลยนะมันนึกว่าเอเขาคิดยังไงของเขาทำไมก็ต้องทำอย่างนั้นมันได้อะไรขึ้นมาเพราะากายมันกระสรับกระสายเมื่อกายกระสรับกระสายได้ใจจะสงบได้ยังไงแต่ก็มีคนยึ่ถือประพฤติปฏิบัติแล้วก็สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเพราะรูปแบบของนัก บ, บวชนนจึงมีหลากหลายมากมา มันออกมาจากวชะแปลว่าเว้นนะฮะที่เราเรียกบรรพชาเนี่ยก็คือเว้นบาปหรือบรรพชิตแปลว่าผู้เว้นบาปก็ขึ้นอยู่กับการมองของท่านเหมือนกันว่าท่านมองอะไรเป็นบาปแหละแม้เอาก็จริงก็ยุ่งเหมือนกันเดี๋ยวท่านไปเข้าพรรษามามกรวมคนไม่ไดีท่านก็ออกปวดอ่ะแต่มันไม่เว้นบาปเพราะแสดงอะไรแสดงว่ามันไปเชื่อมโยงการกระทํากับกิเลสภายในใจไม่ได้ บรรดาที่ต่างๆพวกดาวบทต่างๆบางทีก็กินเปลือกไม้บางทีอะไรแต่ไะนที่ดูเนี่ยฮะลองอ่านศึกษาดูเนี่ยปัญหามันจะได้อะไรขึ้นเพราะในแง่ของการปฏิบัติแล้วเนี่ยกายกับจิตเนี่ยเขาสัมพันธ์กันหมายความว่าจิตจะสงบไปได้ในกายที่กระสับกระส่ายแต่ว่ากายนั้นจะต้องเป็นฐานคือถ้ากายสบายเกินไปก็จิตก็ติดสุข เพาแนวการปฏิบัติเนี่ยมันถึงมองไปคร่ายๆก็เราจะเริ่กรบมันฐานเนี่ยทัานวางเอาไว้ว่าถ้าจเจริ่กรบมฐานเนี่ยอย่าอาหารให้ามากปฏิเสว่าอีกสี่ห้าคำจะอิ่มเนี่ยหยุดใช่แล้วก็ดื่มน้ําเรียกว่าพอดีไม่รู้สึกอิ่มอะไรแต่ถ้ารู้สึกอิ่มแล้วยุ่งเนี่ยมันจะโน้มเอียงเข้าสู่ทีนมิทะคือง่วงนอนอย่างที่เราพูดว่าหนังท้องถึงหนัาตา ย, ยอดมันก็กลายเป็นปัญหาในภาคของการปฏิบัติ มันองค์ประกอบตรงนี้โดยเจนว่าลัทธิบางอย่างที่ปรากฏในฉาดอกนะเอาเฉพาะที่มันฉาดกนะในคมภีพระพุทธศาสนาแล้วก็มีไม่น้อยที่พระโพธิสัตว์เคยเคยครองเพศในละักษณะนั้นแล้วก็นึกไม่ออกว่าทำไมต้องทรมานตัวขนาดนั้นอย่างนี้บางทีก็กินใบไม้แห้งเนี่ยนึกคุณค่าทางอาหารนี่จะเป็นยังไงเราก็ไม่เคยศึกษานะ แต่ไม่ว่าก็เสียเวลาเยอะเสียเวลาเยอะไปกัรไปกินไอ้ของอย่างนั้นอยู่เนี่ยแต่มายังมองว่าอาจารย์พวกทุดดงอะไรแต่ไรเนี่ยอามาไม่ค่อยชอบหยอบกินข้าววางท่าในบาทเยอะแยะเสียเวลาเยอะเป็นชั่วโมงชั่วโมงมันไม่เอาเสียเวลาฉันข้าวต่อสามถีบบางทีก็เยอะแล้วเสียเวลากินเนี่ยทำไมมันมีเรื่องเดี๋ยวแต่ต้องทําเยอะไป เลยไม่ค่อยชอบไอ้เคยเปียกชันข้าวในบาทตั้งพิธีกรรมรูปแบบต่างๆเนี่ยไม่ชอบแล้วก็ไม่เคยใช่ะฮะแม้ไปต่างประเทศเนี่ยไปวัดกรรมฐ า, านในพระก็รู้ว่าไม่ไม่เอาด้วยคือเราไม่ไม่อยากจะเสียเวลากับเรื่องอย่างนั้นเพราะถ้าจะพิจารณาพิจารณาตรงไหนก็ได้ไม่แปลกอะไรมันรูปแบบกลายไปรุงรังไปแต่ว่าใครต้องการทําอย่างนั้นก็มุทนาเขานะแต่ว่าเราก็เห็นว่า ธรรมะจะเกิดมันอยู่ที่สติปัญญาขาองเรามันไม่มีรูปแบบหรอกแม้แต่นั่งกรรมฐานที่จริงพระเจ้าไม่ได้เรียกว่านั่งกรรมฐานเรียกว่าเจริญนะเรียกว่าเจริญเจริญกรรมฐานเราไม่เรียกว่าเจริญกรรมฐานเรียกภ า, าเวตาปรธรรมคือธรรมะที่พึงกระทําให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นน่ะเป็นเนื้อหาสาระที่มีความสําคัญต้อฟังเท่าไหร่ ถารมาพระโพทิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองงามไปบูในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี